1.30 การภาวนาที่ผิดสิ่งที่นักปฏิบัติส่วนใหญ่ทำผิดคือไปบังคับกายบังคับใจให้ลำบากด้วยการดัดแปลงกายดัดแปลงใจเรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายดีวงเล็บเปิดปุญญาพิสังขารหรืออตากิลมถฐานุโยกวงเล็บปิดซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามรากเงาคืออวิชชาคือความรักตัวเองคนโง่ก็ปรุงแต่งฝ่ายชั่ว คนดีก็ปรุงแต่งฝ่ายดีซึ่งไม่ได้ช่วยให้บรรลุมรรคผลนิพพานเช่นไปเพ่งรูปในวงเล็บกายเพ่งนามในวงเล็บเพ่งภายในใจซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือการปรุงแต่งเพื่อตอบสนองตัวเราแต่พระพุทธเจ้าพบเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งโดยให้ย้อนมาดูตัวเราคือกายใจในวงเล็บขันห้าพอรู้ว่าตัวเราเป็นเพียงก้อนธาตุเห็นแต่ว่ากายใจนี้มีความทุกข์ไม่ใช่เรา เรียกว่าพระโสดาบันถ้าปล่อยวางกายใจได้เป็นพระอรหันต์